แบบโดยอาจารย์สาครพรหมทศานแห่งวิทยาลัยเทคนิคหนองคาย 25 มกราคม 2528 โดยทางวัดเป็นผู้จัดเมื่อ 25 กุมภาพันธ์ 2529 ค่า เป็นจํานวนเงินทั้งสิ้น 7,693,3926 บาท 52 สตางค์เสร็จแล้วได้ขนานนามศาลาหลังนี้ว่า 2529 ภายหลังหลัง ได้มีจิตศรัทธาให้มีการว่าภาพจิตรกรรมฝา ท้องด้านขวามือเป็นภาพเรื่องราว 27 กันยายนพุทธศักราช 2530 ในราคา 650,000 บาทเดือนทั้ง ยูนิฟอร์มกุ๊กกลุ่มของคุณไข่มุกชูโตต่อมาได้ 350,000 บาทหรือได้โหลระฆังมาถวาย ได้ดำเนินการก่อสร้างศาลากำปะเหรียญใกล้แล้วเสร็จตามสัญญาพระได้พิจารณาเห็นจำกัดกรุงเทพฯชื่อเซนติเมตร ยาว 13 เมตรลังกาทรงไทยแบบ 3 มุกมีหน้าบันทำรูปร่างลาย 4 กันยายนพุทธศักราช 2128 โดยทางวัดเป็นผู้ สินค้าก่อสร้างจำนวน 72554.63 บาทเมื่องานก่อสร้างหอสมุทรเสร็จ คณะยาของเราขอเป็นเจ้าภาพสร้างหอกลองพร้อมกับจัดหากลองขนาด เป็นที่ตั้งกลองชั้นล่างเป็นที่บาทคุณทเนศรับเป็น ที่ต้องจัดให้มีขึ้นตามความเหมาะสมกุฏิๆเพียงไม่กี่หลังบางหลังโกชมฤทธิ์สุโสมจําเป็นมีขนาดเดียวกันก็สร้างเพิ่มเติมขึ้นใหม่อีกใหญ่ ตามประสมซึ่งโดนแล้วแต่เกิดจากศรัทธาของญาติ บ้านพักที่และบ้านพักญาติโยมจํานวน 37 หลังศาลาเมธีโรงครัวห้องน้ําห้อง เมื่อพุทธศักราช 2526 นายบุญสกุลคูพร้อมด้วยญาติมิตรได้มี กําแพงวัดวัดมดินหมากเป่งจังหวัดหนองคายนับแต่เราประเทศที่ฝรั่งเศสได้มาอยู่ที่มดินหมากเป่ง ขอซื้อที่ดินขยายอนาเขตของวัดเพิ่มขึ้น 2528 นายสรสักส้อยสนในอำเภอสีชิงใหม่ เล่มที่ 1 กอหน้าเล 01 ออก 29 มกราคมพุทธศักราช 2528 เนื้อที่ 261 ไร่ 2, 2. งาน 92 ตารางวานั้นว่า เราจึงพิจารณาเห็นว่ามณฑลหินหมากเปงก็มีการ ในด้านการออกแบบการปรับปรุงพื้นงานมาคอยดูแลตรวจตลอด นายเมื่อวันที่สิบห้าสีแก้ววินเมื่อวันที่ 15 ตุลาคมพุทธศักราช 2529 ด้านหน้าจาก 654 เมตรทางทิศตะวัน 533 เมตรรวมค่าก่อสร้าง 3,320 บาทเนื่องด้วยการก่อสร้างศาลาการเปลี่ยนขอ เมื่อการก่อสร้างเสร็จเรียบซึ่งชาวไทยทั้งหลายถือว่าก็จําเป็นที่ การฉลอง 25 และ 26 เมษายน 2130 ซึ่ง 85 ปีบริบูรณ์และได้ทํา สีจันทร์วรรณโพรงเจ้าคณะภาค 11 วัดสีสุทธาวาสจังหวัดเลยเป็นประธานฝ่ายส่งรักมีวรรณดิษฐ์เจ้าภาค 9 ภาค 8 วัดโพธิสมพร วัดป่าสารวันจังหวัดนครราชสีมาและพระเถรานุเถระทั้งหลายฝ่ายขบวนวาดมีและนำถวายพระราชกุศลได้รับพระกรุณาจากสมเด็จพระญาณสังวรสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกเจริญสุวัฒโนวัดบวรนิเวศวิหาร ซึ่งคณะนั้นดำรงสมณศักดิ์เป็นสมเด็จพระญาณสังวร มาเป็นเวลา 20 ปีดังกล่าวแล้วทรัพย์ที่ญาติโยมมีศรัทธาบริจาค หรือโรงพยาบาลเป็นหน้าที่เราก็ช่วยกิจการด้าน และสาธารณประโยชน์ต่างๆในช่วงระยะเวลาหลังๆที่ได้ทําไปแล้วนอกจาก 1 มณฑลอรัญญุบดีอําเภอท่าบ่อแล อุติสงฆ์หลังกำแพงวัด 9 ล้าน 2 วัดพระพุทธบาทคอแก้มบนกลุ่มตำบลพระ 9 เมตรพร้อมสิ้นเงินครอบสิ้นเงิน 3 ล้าน 5 แสนบาท ครบร้อยพระพุทธบาทจํานวน 30,000 บาท 3 วัดป่ากดหิวบ้านผักบุง 4 วัดพระพุทธบาทบัวบกตําบล 5. วัดป่าเทียรลังสีบังน้ำมอกตำบนพระพุทบาตอำพือสีชิ่งใหม่จังวัดหนองไข่สร้างสารากรรมพระเรียนสิ้นเงิมราว 2 ล้าน 5 6. วัดพูดที่สมพรอำเผืองจังหวัดอุดรธานีวริจักษมทบสร้างสาราจารย์กูสนสบสารา 3 จำนวน 1 ลานบาท สร้างอาคารเรียนตามแบบมาตรฐานของสำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติตำบลพระพุทธบาทอำเภอศรีจุมัย 11 ห้อง 1 ห้องสมุดและที่โรงเรียนตำบลคลางใหญ่ 4,700,000 บาทซึ่งในการสร้างเมื่อ 26 พฤษภาคม 2130 และ 27 กรกฎาคม 2131 นอกจากนี้ ถึงณคณะสร้างชื่อเสียงการประถมศึกษาแห่งเมื่อ 25 พฤศจิกายน 2532 8 โกษามูลนิธินิโรธรังสิธรรมพีพระความ ในเขตจังหวัดหนองคายทุนปัจจุบัน 1,200,000 บาทและทุนโครงการอาหารกลางวันเด็กนักเรียนในเขตจังหวัดหนองคายทุนปัจจุบัน 2,440,000 บาทและ โครงการอาหารกลางวันแก่นักเรียนทั้งจังหวัด 9 ก่อตั้งมูลนิธิเทศเทียบรังสิเพื่อบำรุงบาท โน่นอย่างดียังมีงานที่อยู่ระหว่างดําเนินการคือ 1, 1. โครงการพอสงอาพาธโรงบาท 2 อาคารผู้ 88 ปีหลวงปู่เทพเทพรังสี ซึ่งคุณสายพินปิตถสิงห์มีจิตสัทธาบริจาค 2 3 อุโบสถที่วัดป่านา วัดหินหมากเปงประกอบด้วยเมรุเผาศพงบประมาณค่าก่อสร้าง 350,000 บาทและเอียสกุลและ 5 โครงการระบบน้ํา ท่านผู้ว่าการกาบระปาและสำนักงานกาบระปาภูมิภาค 6 วิหารพระพุทธรูปและกุฏิรับรองวัด การก่อสร้างเจดีย์พิพิธภัณฑ์ซึ่งอยู่ระหว่างการเขียนแบบ ผู้ที่จะทําไม่ค่อยสําเร็จโกผโรขาด การกระทําสิ่งใดๆเราถือเป็นหลักสักแต่ว่าธรรมเพื่อ การที่เราได้กระทําไปจนสําเร็จทุกรายการ ในส่วนที่ปวรณาถวายเป็นการส่วนตัวแล้วแต่เราจะ 1 บาท 10 บาท 100 บาท 1,000 บาท 10,000 บาท 100,000 บาทตามกําลังศัพท์และสถาน ก็มีหินขาดปกร่องสภาวะสาธุสาธุสาธุเรื่องเหล่านี้เป็น เราประทิตย์เองหาเงินไม่เป็นเลยแม้แต่สตางค์เดียวญาติ อริย์ผู้ถวายไม่มีสมุดบัญชีบันทึกใบเป็นแต่พระคลังสมบัติมี มาใช้จ่ายหมดจนเกี้ยงไม่เหลือหรอกแม้แต่มา 100% แล้วอย่าพึงทําเลยคืน รายการมากการมากทําให้คุณเสียมนัสมิทวนแต่ผู้ จึงเป็นการเสียหายมากถ้าหากมุ่งประโยชน์เพื่อพระพุทธศาสนาและสาธารณกุศลไม่ใช่คงใครทั้งหมดจะเป็นผลไม่สร้าง บทสรุปจากสภาพของป่าดงทึบที่ 60 ปีก่อนหน้านี้เรา 20 กว่าปี ที่ค่อยเจริญมาโดยลําดับตั้งแต่ต้นจนสําเร็จบริบูรณ์ ที่จักรเหล่านามท่านทั้งหลายได้ทั้งหมดผล 2525 นับว่าเป็นเกียรติประวัติที่สําคัญของวัดหินหมากเปงอีกอย่างหนึ่งเราหวังเป็นอย่างยิ่งว่าวัดหินหมากเปงแห่งนี้จะเป็นศาสนสถานสําหรับบําเพ็ญ ไอ้ทั้งหลายทั้งมวลที่มีส่วนช่วยแล 68 แล้ว เราเริ่มบำเพ็ญแต่กัลยาณกิจสิ่งที่เป็นประโยชน์แก่ตนและเพื่อคนอื่น จึงมีโอกาสบำเพ็ญเพียรภาวนาดีมากพวกพรรษาต่อๆมา เราไม่ได้โทษแท้ใจในการทําความตกลงประโยชน์ของตนก็ได้คนอื่นก็ไม่เสีย เป็นกุลนิกิจที่ท้าจริงของเรานับแต่เราได้บวช 5 ธันวาคมพุทธศักราช 2533 ได้ทรง ราชฐานลึกสมณศักดิ์ของเราเป็นพระราชคณะชําระที่พระราชินีรุจิ พระ 기ถา สมณศักดิ์เป็นพระราชคณะชั้น 3 วันเมื่อปี 2500 นั้นแต่นั่นแหละท่านผู้ใหญ่ได้อธิบายว่าการสถาปนาเรือนและตั้งสมณศักดิ์นี้เป็นพระราชประเพณีอันมีมาแต่โบราณกาลเป็นส่วนพระราชฐานสังฆาธรรมของพระมหากษัตริย์ไทยองค์เอกพระ เป็นภาระสังสนช่วยระงับอธิกรณ์และอนุเคราะห์พระภิกษุสามเณร บุญคุณของบิดามารดาคนเกิดมา โดยที่ใครๆไม่ได้ถุงนี้แต่หาคิดถึงนี่เอาเองแล้วไม่มีใครบังคับและคําประกันบางคนคิด บิดามารดาทนอมเลี้ยงลูกด้วยความอินดูทุกอย่างเป็นต้นว่านั่งนอนยืน ก็ยังมีความรักลูกดุมิซาความรักนั้นว่า มันคือมาได้อย่างไรมนุษย์เราประเทศเทพรังสิ บิณฑะหลิงบิดามารดาเหมือนกับคนธรรมดาแต่โลลีน้ำ ลูกของเราได้บวชแล้วถึงอยู่ใกล้หรือ ท่านทั้งสองก็จริงๆเต็มใจรับโอวาทบิดาบวช 11 ปีถึงแก่กรรมเมื่อปีมารดาบวช 17 ปีถึงแก่ 82 ปีมารดาเสียที เรเรเรเรเราก็ได้นำสั่งสอนจนสุข เดิมเหมือนกันที่ ระบุட் อยู่ในพุทธศาสนาและอยู่ได้น้ำไฟลมของ มาปั้นเป็นรูปเป็นกายแล้วเราจึงได้มาครอบครองอยู่มาบริโภคใช้สอยของที่มีอยู่ แม้ที่สุดของเหล่านั้น ที่มีคุณกระทําแต่เกิดขึ้นมาแล้วก็จํายอมธรรมเพราะคุณผู้เกิดมาได้อัตภาพอันนี้อันได้หนามชื่อ แม้แต่ลูกหลานก็ไม่ยอมเก็บศพไว้ 15 วันโดยส่วนมากแล้วจะต้องเอาไปเผาทิ้งนั่น กรรมที่ไม่ควรก่อซะนั้นเมื่อตายแล้วหรือญาติคนอื่นๆเช่นครูบาอาจารย์ที่เคารพนับถืออย่างไรก็ นี่จะต้องเลี้ยงแขกเลี้ยงคนเลี้ยงพระเลี้ยงสงฆ์หรือหาของ เป็นของไม่กุกระทําแต่ว่ามันเกิดขึ้นมาเฉพาะหน้าของพี่เกิดทีหลัง บางหรือพี่ตายก่อนน้องก็มีน้องตายก่อนพี่ก็มีหรือพี่ตายก่อนน้องก็มีตายแล้วก็ไม่จําเป็นต้องไปเกิดเป็นพี่น้องกันอีกกฎแห่งบุญถึงพระนิพพาน ดังโยมมีดามาดาของเราประเทศพูดถึงแก่กรรมไปแล้วท่านทั้งสองนั้นเราคิด ประสมเจตนาของท่านแล้วทุกประการ นอกจากนั้นพี่ๆทุกคนเมื่อยังมีชีวิตอยู่เราก็ได้อบรมสั่งสอนให้ตั้ง อายุได้ 88 ปีนางแหนญจริงทองพี่สาวคน 3 ถึงเมื่อพุทธศักราช 2021 อายุ 90 ปีนายเปลี่ยนพี่ชาย 4 ถึงเมื่อพุทธศักราช 2015 อายุได้ 80 ปีนางนวลคล้าแข็ง 5 ถึงเมื่อพุทธศักราช 2016 อายุได้ 79 ปี ประเกดพี่ชายคนที่ 6 ถึง 48, 48 ปีพรรษา 14 นางทูป 16 พฤษภาคมพุทธศักราช 2513 อายุ 86 ปี พี่น้องทั้งหมดเราได้ทําชพนะกิจศพให้สมบูรณ์บริบูรณ์ทุกอย่างสงเจตนารมของ เมื่อปุยหนักบุตรเอมรักตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลที่โรงพยาบาลจังหวัดสกลนคร ลมหายใจแผ่วลงแผ่วลงแล้วจนสงบไปใน จุนผาธิบิจหาใหม่เพราะคนเราตายแล้ว 89 ปีก็